بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ و س ل م و ب ا ر ك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ر ب ي ش ر ح لي صدري ويسر لي أمري أ ح ل ل أ خ د ة ت م ن لساني قو قولي اللهم ع ل م ن ا ما ي ن ف ع ن ا อุ้มฟ้าเรา بما علمتنا وزيدنا علم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتينا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا ا ل ر ش د ا الحمد لله سكورة الله س و ت ل ى วันีพยนะครับกับวันสิ้นปี2020 2,563 นะครับตามปฏิทินสุริยะคติก็คงจะไม่ต้องเตือนกันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้ว เ, เราพูดกันเกือบรู้สึกว่าเคยมยีครั้งหนึ่งที่เราสอนกันอย่างนี้แล้วก็ตรงกับวันนี้เหมือนกันนะครับวันสิ้นปีถ้าคนทั่วๆไปเขาก็จะเฉลิมฉลองกัน เพื่อขึ้นปีใหม่ส่วนเรานะครับสำหรับมุสลิมเราไม่มีฉชิอะใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ให้ไปเฉลิมฉลองหรือรื่นเริงกันในเรื่องในโอกาสแบบนี้นะครับอันที่จริงแล้วถ้าเราสังเกตดูในอิสลามเนี่ยทุกครั้งหรือส่วนใหญ่เวลาที่ สิ้นสุดจากภารกิจใดภารกิจหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีการเฉลิมฉลองเท่าไหร่นะแต่ hmm. สิ่งที่มีเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างอื่นมากกว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ้นปีใหม่สิ้นปีขึ้นปีใหม่หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นพี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาในในอิสลามเนี่ยในคําสอนของอิสลามในสุนนะของท่านนบีสุลตลานเนี่ยเวลาสิ้นสุดอิบาดาห์ใดอิบาดาห์หนึ่งส่วนใหญ่จะให้ทําอะไร สมมติละหมาดเสร็จปุ๊บออะ a s s a ล a m u a l a i k m w a r a h a t l l a h w ให้ทาอะไรขึ้นก่อนเลยฮอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์เห็นไ่งสุดปุ๊บอัสตัฟิรุลลอฮ์อ่าอ่าเวลาที่เรานั่งกันอย่างนี้นั่งเรียนหรือนั่งพูดคุยนั่งสนทนากันอาจจะยกแยกย้ายแยกวงกันไปมีดูอาอะไรครับเขาเรียกดูอาอะไร د ع อ ء กฟาระดูอาก็ฟาระ่เลวะดูอาขออภัยโทษ س ب ل ه و ن ت أ س ت ผมสังเกตดูเกือบทุกทุกอิบดเนี่ยเวลาจบท้ายเนี่ยให้มีอิสกฟารหรือแม้กระทั่งมักีรออ ا ل ل ه ช่วงชีวิตสุดท้ายของท่านนบีสโลลลัลฮัลลั อัลลอฮ์จะลาบบอกกับท่นานนบีว่าชัยชนะมาถึงแล้วการพิชิตก็มาถึงแล้วเจ้าได้รับชัยชนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วภารกิจสุดท้ายของเจ้าคืออะไรบัษบิีบิฮัมดิรับบิกะวอสตอฟิรฮูอินนฺฮูคานะตอวะบะเพราะฉะนั้นจงตัเสด็จต่ออัลลอฮฺและจงอิสติฟาร ช่วงท้ายๆเวลาที่เราอายุเยอะอย่างนี้ต้องนึกถึงการอิสติฟาร์ให้มาช่วงบั้นปลายในชีวิตท่านนาบีเนี่ยได้รับการสั่งสอนจอากลักรองต่างๆให้อิสติฟาร์ได้รับชัยชนะให้อิสติฟาร์นะครับไม่ได้ไม่ได้โอ ไ, ไ, ไ, ได้รับชัยชนะแล้วให้เฉลิมฉลองไม่รู้เหมือนกันในประวัติศาสตร์เนี่ยผมไม่เคยไม่เคยอ่านหรือไม่เคยผ่านหูผ่านตาที่บอกว่าเวลามุสลิมชนะสงครามใดสงครามหนึ่งแล้วจะฉลอง เคยได้ยินไหมครับชนะสงครามบัดดารมุสลิมมันจะไมาดีนะฉลองกันไหมชนะสงครา ม, มอะไรสมมุติสงครามอาฮซับเคยได้ยินไหมว่าชาวมุสลิมบรดดารซาฮบะฉลองที่ชนะสงคราม <laughs> ชนะสงครามคอยบัตไม่เคยได้แม้กระทั่งอู ด, ด, ดัยเบียให้เราก็หลังเรียนกันอยู่เนี่ยมาอัลลอฮฺประคำแต่เราบอกเป็นชัยชนะแต่ก็ไม่ได้ยินว่าบรรดารซาฮบะเขาเฉลิมฉลองกันเพราะฉะนั้น การเฉลิมฉลองนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าสาวประวัติศาสตร์แล้วมันมาจากไหนมีบางคนนักวิชาการบางคนอธิบายว่าประวัติความเป็นมาของการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความล่มสลายของอาณาจักรอันดาลูสการการที่สเปนชนะขับไล่มุสลิมออกจากอันดาลูสอัลออัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺมัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮลลอฮฺอััลลอฮลออััลลอฮลอัลัลั ในใรงข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี้นะครับบ อ, อกว่าในอิสลามมีวิธีของเราเองอาการทบทวนตัวเองอันนี้อาจจะได้ถ้าสมมติว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการทบทวนชีวิตของเราที่ผ่านมาหนึ่งปีนะครับว่า ว่ามันเป็นยังไงมันก็ไม่มีในเชร์ร็อกหรอกว่าต้องมาทบทวนกันิ้นปีไม่มีหรอกเราเพียงแค่ใช้โอกาสในเรื่องการบริหารจัด ก, การแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าสุนน나ของท่านนาบีเวลาซีนปีให้มาทบทวนตัวเองไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะมไม่ได้บอกว่าเนี่ยเป็นสุน나ของไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่จะบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่ควรจะทำเนี่ยควรใช้โอกาสที่ในเรื่องของดุน尼亚การบริหารจัด ก, การเนี่ย มาใช้ในเรื่องของการเอาบทเรียนจากชีวิตที่ผ่านมาเรื่องจะอะไรยังไงดีกว่านะครับอ Allahu Jalalal ัมเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่พูดมากละเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับว่าการเฉลิมฉลองเนื่องในเหตุโอกาสแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสลามเลยเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องด้วยเป็นดีที่สุดกลัวว่าถ้าเราไปยุ่งด้วยไปเกี่ยวข้องด้วยมันอาจจะกระทบกับเรื่องอิบาตดะของเราเกี่ยวกับ การอะไรนะเขาเรียกว่ า, ามะเสียดการฝากฝืนคำสั่งของลอตตาลาด้วยหรือเปล่าการเรียนแบบที่ไม่อนุญาตในอิสลามด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยนะครับอัลละอลอลัวันนี้เราจะเริ่มอ่านนะครับตั้งแต่อายะห์ที่14เป็นต้นไป อยู่ในสุระทุลแฟชช์ตอนที่ห้าแล้วนะครับไม่จบนะครับต้องต่อปีใหม่อีกนะครับอีกน่าจ ะ, ะอีกหลายตอนเลยทีเดียววันนี้อายัดที่สิบสี่เป็นต้นไปสิบสี่สิบห้าสิบหกสบเจ็ดอาจจะยาวนิดหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะอยากจะให้จบถึงสิบเจ็ดเป็นเป็นชุดชุดไปสุ ร, รทุลแฟชช์อายัดที่สิบสี่นะสองหกศูนย์เก้าน أستغفر الله م ن ى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و َ ل ل ّ ه ِ ملك ُ السماوات ِ والأرض َ يغفر لمن يشاء. ويعزب من يشاء، وكان الله غفور رحيم. سيقول المخلفون إذا. طلقات إلى م غ ا ن ي لتأخلوها. ذرنا و نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعون كذلكم قال الله من قبيح فسيقولون بل ت ح س ُ د و ن ن ا بَلْ كَانُوا لَا يَفْطَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ บชดิต <ت ص في> قاتلونهم أو يسلم فإن تطيعوا ي ع ت ك م الله أجرًا حسنًا وإن ت ت و ل و ا كما توليت من قبل يُعذِبُكُم عذاباً أليماً ليس على ا ل أ ع م ى ح رج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وَمَن ي ط ِ ع ا ل ل ه و ر س و ل ه ي د ْ خ ل ُ ه ج ن ا ت جَنَّاتٍ تَجْرِينِ تَحْتِ ه َ ا ل ْ أ َ ن ْ ه َ ا ر و َ م َ ي ت َ وَلَيُعْذِبَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ الحمد لله آية 66 وللله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعزب من يشاء وكان الله غفورا رحيما เกี่ยวอะไรกับเรื่องราวก่อนหน้านี้เรื่องราวก่อนหน้านี้คืออะไรคือการที่บรรดาพวกมุนากีน มาหาท่านนาบีลลัลลอฮอะลัยฮิวะัลมหลังจากท่านนาบีกลับมาถึงมดินะเนี่ยพวกมนาฟิกีมาทำอะไรมาขอโทษด้วยการอ้างว่าเหตุที่พวกเราไม่ได้ออกไปฮูดัยเบียเนี่ยมันไม่ได้เป็นความต้องการของเราเลยนะแต่เรามีสาเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่มดินะที่ออกไปไม่ได้ลูกหลานเราทรัพย์สินเราเราต้องดูแลก็เลยออกไปกับท่านไม่ได้นี่เป็นคาอ้างของพวก อน่าสิกีกับท่านนาบีสโลลล์ของอิสลามหลังจากที่พวกเขารู้ดีว่าพูดกับปากในใจไม่ได้คิดอย่างนั้นในใจนั้นคิดแต่คิดอย่างอื่นคิดว่าพวกท่านนาบีสโลลล์สันลมเวลาไปมักกะในปีนั้นจะถูกพวกมักกะเล่นงานจนกระทั่งไม่เหลือนะครับกลับมาแต่สุดท้ายท่านนาบีก็กลับมาพร้อมกับชัยชนะจากล็อกสุภาอตลจาราในการประทานสุรตุลฟัดลงมาเพราะฉะนั้น Allah سبحانه และ تعالى ก็เลยประกาศว่าวะลิลลาฮิมุลกุสสมาวาทิวะอัลอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกอย่างในชั pa an, ch ch ana, ah ้นฟ ah. ah, ้าและแผ่นดินเพราะฉะนั้นชัยชนะความพ่ายแพ้นะพวกมุนาฟิกีนนึกว่าท่านนบีจะแพ้แต่ความพ่ายแพ้และชัยชนะอยู่ในมือของใครอยู่ในมือของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครชนะก็ได้อัลลอฮ์อจะให้ใครแพ้ก็ได้ พวกมนุษย์ิธีลืมนึกไปใช่ไหมถึงได้คิดร้ายกับท่านนบีเสียเสียหายหายวรรยาตุเบลละอิมานซาลินอกจากนี้อัลลอฮฺอักบตอายัดนี้เนี่ยเวลาที่เราได้ยินว่าอัลลอฮมุลลิลลาห์มุลกุสมาวะติวาลาตเรารู้สึกยังไงอัลลอส์ทรงครองครองทุกอย่างในโลกนี้ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเรารู้สึกยัางเวลาที่เราเรานึกถึง เรารู้สึกถึงอะไรความยิง่ dai, ยยงใหญ่ของอัลลอฮฺสุบไบร์ห์อัลตัลลาห์อัลตัลลาสามารถที่จะเล่นงานพวกโุนาฟิกีนได้ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทำให้เรารู้สึกกลัวรู้สึกเกรงขามแต่ในขณะเดียวกันความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ยังมีความเมตตาอยู่ยังไงเยลฟิรุลีมยิชาวยูอัลิบุมายิชา โอ้พวกโมนาฟิกีนเอ๋ยอัลลอฮ์เนี่ยทรงยิ่งใหญ่สามารถจะจัดการกับพวกเจ้าได้แต่พระองค์ก็สามารถที่จะอภัยให้จับพวกเจ้าได้ด้วยเห็นไหมครับในขณะที่กำลังพูดปอบโตกับพวกโมนาฟิกีนสัมทับให้พวกเขาเกรงกลัวยังมีมุมที่นำเสนอให้คนเหลา่านี้มีโอกาสได้กลับตัวด้วย นี่คือความยิ่งใหญ่ของอิสลามของ Allah ซุลแาหนวะตัลลัคนที่มีจิตใจสกปรกคนที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีถามว่าราบับใดที่ลมหายใจของเขาไม่หมดเขามีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้ไหมมีโอกาสเราต้องให้โอกาสกับเขาไหมต้องให้โอกาสเขาท่านนดีให้โอกาสกับมูราฟิกินจนกระทั่งพวกมูราฟิกินตาย ตายหัวหน้ามันกำลังกินตายไปแล้วแต่พระนามีก็ยังให้โอกาสที่จะให้คนเหล่านั้นกลับตัวยะกฟิรุลิมัยะชะวะโยอัจซิบูมัยะชะพระองค์สามารถที่จะอภัยให้กับใครก็ได้ที่พระองค์ประสงค์พระองค์สามารถที่จะลงโทษใครก็ได้ที่พระองค์ประสงค์เพราะพระองค์มุลกุศลมาวะเจียวอยู่ในมือของพระองค์นะครับอํานาจต่างๆอยู่ในมือของพระองค์ทั้งหมดแต่พระองค์เลือกที่จะใช้คนนลักษณะนี้ในอายัดนี้ ว่การอัลลอฮฺร่ฟูรอัลรหีมาอัลลอฮนั้นทรงเป็นผู nah, ong, ้ที wa, ่ให้อภัยอยิ่งรหีมาเป็นผู้ที่เมตตาอย่างยิ่งอย่างมากเรียกร้องโดยเป็นนัยยะเรียกร้องไกลๆว่าเลิกเถอะพฤติกรรมที่ไม่ดีพวกนี้กลับมาหาอัลลอฮจะอลาเธอะถ้าเจ้าไม่เลิกเนี่ยรับรอง โดนลงโทษจากา l l เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าเลิกกลับมาหา Allah พระองค์จะให้อภัยกับพวกเจ้ารออะไรอยู่อีกอเป็นการเหมือนเป็นการเรียกร้องนะครับให้พวกเขาเหล่านั้นกลับตัวกลับใจแต่นะพวกมุนสิกินเหล่านี้พฤติกรรมเป็นยังไงยังไม่ได้จบแค่นั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งต่อหลังจากที่ Uh, ไปขอโทษจากท่านนบีแล้วไปอ้างคำพูดกับท่านนบีแล้วเนี่ยไม่จบแค่นะนั้นมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสะกยู่ลุลจะอยูลุลมุขเลฟูนอีดันตุลักตุมอิลามาิมลตฟูฮารูนั่นตบะกุมพวกอาราบหรือพวกม ah uh, ุนาฟิกีนพวกนี้จะกล่าวกับเจ้าจะกล่าวกับเวลาที่สู่เจ้า ออกไปยัางรับเฉลยบรรดาผู้ที่อัลมุคลล่ฟุนก็คือผู้อยู่ข้างหลังตรงนี้หมายถึงคนที่ไม่ได้ไปอุมราะหรือคนที่ไม่ได้ไปฮุดัยบียะกับท่านนาบีเนี่ยคืออัลมุคลล่ฟูนก็คือบรรดาพวกมูนาฟิกีนพวกนี้จะกล่าวว่ายังไงจะรูนานัตจะแบกกลมปล่อยให้เราตามตามท่านไปเถอะอายัดนี้หมายถึงอะไรครับ ดูนะอินุคศิร์อินุคิรอิาลนะครั يقول تعالى مخبرا عن ا ل ع ر ا ب الذي نتخلف عن رسول الله ص ل الله وسلم في غ ز ة الهداية إذ ذهب إلى النبي الله وسلم وأصحابه إذ ذهب النبي ص ل الله وسلم أ ص ح ا ذ ذ ح ب ح و ر ض الله ع ن إلى خ ب ر يفتحونها أنهم ي, ي, أن ي أ ل و ن أن ي خ ر ج معهم إلى المغنم وقد تخلف عن وقت محاربة الأعداء ومجادتهم ال وصبراتهم فأمر الله تعالى ورسوله فأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ألا يأذن لهم في ذلك معاقبتهم من جنس ذم بهم ท ا ل نبي صلى الله عليه وسلم หลังจากกลับจากฮดยะประมาณปลายปีที่ ใช่ไหมสุลฮิดจพอดีไงสุลกดุลฮิ จ, จ, จ, ฮจพอปีที่เจดต้นปีเนี่ยประกาศเลยว่าจะไปคอยบัตจะไปคอยบัตเนี่ยเพื่อไปปราบบรรดาพวกยิวซึ่งเคยอยู่มาดีนัทมาก่อนแล้วก็ถูกไล่ไปครั้งหนึ่งไปที่คอยบัตแล้วก็ก่อกวนไม่เลิกก็เลยจะไปพิชิตเมืองคอยบัตอีกครั้งหนึ่งเมืองคอยบัตเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นมีที่ดินเยอะมีอินทรพาลัมเยอะแล้วก็มีทรัพย์สินของพวกยวนี่เยอะแยะมากมายท่านนบดประกาศที่จะไปทําสงครามกับไครวะพวกโมนาสกีนได้ยินและดูแนวโน้มแล้วชาวมุสลิมจะชนะแน่นอนแล้วถ้าชนะแล้วได้อะไรมาได้ทรัพย์สินได้ชเลยได้อะไรมาเยอะแยะพวกนี้ก็เลยจะออกไปด้วยมาขอว่าจะออกไปด้วยザรูน่าลัตเบกุม ขอให้เราตามหลังเท่าท่านไปด้วยได้ไหมตอนที่ไปฮูไดเบียเนี่ยประกาศให้ออกไปออกไปัหมไม่ออกแล้วทีนี้พอประกาศจะไปคอยบัตรเนี่ยไม่ได้ชวนนะแต่มาขอว่าจะออกไปจะออกไปด้วยสุภาพอัลลอฮไปคอยบัตรเนี่ยท่านนาบีประกาศเลยว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ไปที่ฮูไดเบียห้ามออกไปคอยบัตรเพราเลาตาลาสัญญาว่าอย่างนั้น อาัลตาัลาบอกว่าเป็นคําสั่งลงมาเลยใครที่ไม่ได้ไปฮูดัยเบียไม่สามารถที่จะออกไปคอยบัตได้การออกไปคอยบัตเนี่ยเป็นของขวัญที่อัลตาัล่าจะให้กับบรรดาคนที่เสียสลัและให้สัตยาบันกับท่านนาบีสุลต่ามที่ฮูดัยเบียเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านนาบีจึงประกาศเลยว่าไม่ให้ออกไปใครที่ไม่ได้ร่วมเป็นมุบายอาอังกับท่านนาบีที่เบยอัตเรตวานห้ามออกไปทําสงครามคอยบัต ด้วยเอาเฉพาะคนที่ไปฮุดายดิยเท่า น, นั้นแล้วพวกมุนาฟิกินพวกนี้มันไม่ได้ออกไปแกแต่พอท่านนาบิจจะออกไปคอยบัตเนี่ยอันนี้เห็นผลประโยชน์อยู่ต่อหน้าอยากจะออกไปด้วยตามหลังไปก็ได้ไม่ได้จะไปทำสงครามแต่จะไปเอาอะไรอิลามะก็ฮันีมะลิจจะคุรูอจะไปขอส่วนแบ่งจากรักเฉลยที่ได้มาจากสงคราม Allah และกบอบจารลนันิมคุพวกเขาเหล่านั้นต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประกาศสิทของ Allah ประกาศสิทของนี่หมายถึงอะไรคำสั่งของ Allah หมายถึงอะไรครับตรงนี้หมายถึงอ l l แต่ a ประกาศว่าในเชิงอันก็บอกไว้แล้วหมายถึงประกาศสิทธ์ที่กล่าวว่า เฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตให้ติดตามท่านรอสูล ullah สัลลัมในการเดินทางไปทำสงครามที่ไคายบัผู้ที่มีส่วนในการเดินทางไปยังอูดายเบียและได้ทำสัญญาที่นั่นเพราะอัลลอฮฺตรัสถ่ายได้เงวลทรัพย์เชลยคายบัตไว้สำหรับพวกเขาเป็นการเฉพาะและดังที่ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนในอายะที่18หมายความว่ากะลาอัลลอฮ์ตรงนี้เนี่ยมุจาฮ์ตอัตตาดะจ่วยเรกล่าวว่าอย่างไง ว่าเขาล่วง ل ุ้งที่ว่าด้บิ้วอ ي ลฮุดัย ل ียติแลอัลฮุดสติยาที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะกละได้ให้ไว้กับบรรดาคนที่รวมให้สตยาบันในฮุดบียะอันนี้คือคำว่าประกาศสิทธ์ของลอตถ้าสมมติว่ามุนาฟิกีนออกไปแสดงว่าได้ทำลายประกาศสิทนี้ของลอาัลลอเข้าใจไหมครับ มูนาฟิกินอยากจะออกไปด้วยเนี่ยการออกไปของพวกมูนาฟิกินที่เคยบรรัตเนี่ยเป็นการทําลายอะไรทําลายสัญญาทำลายทําลายสิ่งที่อัลลอฮฺสัญญาว่าจะให้กับบรรดามุสมินเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านนบี จ, จึงไม่ให้พวกนี้ออกไปเพราะถ้าพวกนี้ออกไปแสดงว่าประกาศิทของอัลลอฮฺไม่มีความหมายก่อนหน้านี้อัลลอฮฺประกาศแล้วอัลลอฮฺบอกแล้วว่าคนที่จะออกไปเคยบรรัตคนที่จะได้รับ ทรัพย์เฉลยอย่างมากมายเนี่ยเฉพาะคนที่ใบอั์กับท่านนาบีเท่านั้นนะครับกะซาลิคมอักุลันตะตะเบยูนาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดไม่มีทางที่พวกท่านจะติดตามเราไปได้โดยเด็ดขาดเล่นใช้คำว่าเล่นนะครับเป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง จงกล่าวเถิดจงบอกพวกเขาว่าพวกท่านจะมากับเราไม่ได้โดยเด็ดขาดกระซาลิคมกอลลอฮฺบิญมิงกับลอัลตัลลไดทรงประกาศเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นพวกเจ้าไปไม่ได้ไม่ว่าจะขออย่างไรไปไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าผลตอบแทนเหมาะสมกับพฤติกรมรมพฤติกรรมอะไร พฤติกรรมที่ตอนแรกไม่ยอมออกไปที่ฮูไดเบียผลตอบแทนคืออะไรไม่ให้ออกไปที่คอยบัสมกันไห ม, มพฤติกรรมคือไม่ยอมให้สัตยาบาลกับท่านนบีที่ฮูไดเบียไม่ยอมออกไปพร้อมกับท่านนบีไปมักกะในปีที่ผมเพราะฉะนั้นพอมาถึงปีที่เจ็ดจะไปทํำคอยวัดก็จริงมีผลตอบแทนอันเดียวกันก็คือไม่ให้ออกไปที่คอยบัตเสียประโยชน์ละ Allah ว่อัร์ฟร่านบันนานบีประกาศว่าไม่ให้พวกคนที่ไม่ได้ไปมุนายเบียเนี่ยไปสองกรามคอยบัทเนี่ยคนเหล่านี้พูดว่าอย่างไงบัลทพสุดูนนาพวกเขาก็จะกล่าวอ้างว่าไม่หรอกพวกท่านอิจฉาเราต่างหาอิจฉาอย่างไงไม่อยากให้อนนี่เป็นคำพูดของใครของมุนาฟิกี พวกเจ้าไม่อยากให้เราไปเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นประกาศของอัลลอฮ์หรอกไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์เคยประกาศเอาไว้ไม่ใช่เพราะท่านอบบีเคยบอกเอาไว้หรอกแต่พวกเจ้าไม่อยากให้เราเนี่ยไปเอาส่วนแบ่งใช่ไหมอ่าไม่ยอมเลิกนะไม่ยอมเลิกอัลลอฮฺอัลกบัด์คนแบบคนแบบนี้เขาเรียกว่าเถียงคําไม่ตกฟากเถียงไม่ชนะนะกับพวกพวกที่ชอบเถียงนี่อัลลอฮฺอัลกบะดอัสซาบุลลอฮ แล้วเขาแล้วมีเขาเรามีอะไรนะมีทางออกตลอดเนี่ยจริงๆแล้วคําว่ามีฟากเนี่ยในภาษาอาหรับเอามาจากคําว่ามุทะลุตลอดไม่ใช่มุทะลุหมายถึงทะลุตลอดไม่เคยเวลามันเอามาจากคําว่านาฟักคาว่ามีฟากในภาษาอาหรับเนี่ยมาจากคําว่านาฟักหมายถึงหลุมหรือรูของ สัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายอ่ะสัตว์ภาษาเรียกว่าเป็นหนูชนิดหนึ่งที่มีขาขาหน้าสั้นกว่าแล้วก็ขาหลังคล้ายค้าจิงโจ้แต่เป็นหนูนะตัวเล็กเท่าหนูแต่รูปร่างอาจจะคล้ายคล้าจิงโจ้เรียกว่ายารบุยารบุเนี่ยจะมีหลุมอยู่หลุมที่หนึ่งแล้วก็จะมีไม่ใช่หลุมรูรูที่หนึ่งกับรูที่สอง สมมุติถ้าเราไปไล่มันจากรูที่หนึ่งมันจะยังไงมันจะวิ่งไปออกที่รูที่สองเราจับมันไม่ได้นี่แหละคือนิสัยของมูนาฟิกเราเถียงเราตอบอย่างนี้อา้าวมันไปทางไหนปัญหาข้ออ้างได้อีกทางหนึ่งพอเราไปตอบทางนี้มันมาทางไหนเวียนมา อ, อีกรอบหนึ่งนี่คือนิสัยโดยรวมของพวกพวกมูนาฟิก เป็นพวกที่เถียงไม่ได้เถียงเมื่อไรแล้วเราแพ้ถ้าเถียงนี่เราแพ้เลยเพราะอะไรเถียงจริงแล้วมีทางหนีทีไล่ตลอดอัสุลัมเห็นไหมเขาบอกว่าละตาราไม่ให้พวกเจ้าออกไปเพราะอะไรเพราะละตาราเคยประกาศว่าคนที่ไม่ได้ให้สัตยาบันที่อุดายบีอาออกไปไม่ได้มีอะไรอีกมีทางหนีทีไล่มาไหนอ๋อที่ไม่ให้ออกไปนี่เพราะอะไรอิจฉาเราไม่อยากให้เราได้ส่วนแบ่งจากสงคราม นี่คือคำตอบของพวกมุนาฟิก ي น أستغفر الله وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا ب ا ل ل ลังจากน้นก็ได้ตอบกับไปว่า ل كانوا لا ي ف แต่จริงแล้วคนเหล่านี้เป็นพวกที่ไม่เข้าใจนอกจากนี้เดียวเองไม่เข้าใจเราพูดอะไรก็ไม่เข้าใจเ <laughs> ถียงไม่เถียงไม่ขึ้นนะเถียงไม่ขึ้นนะ่ะคนแบบนี้ ลา il ah อิลลอหอิลลอห์อาติ๊บุรุลลอฮฺแะอัตุบิอลอนี่คือคุณลักษณะของมุนาฟสิกีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ท่านน บ, บีสุลว่านลมจะยกทัพไปตีมืองไคบัตุลลิลบุคัลลฟีนมินะลเอารับ all al <ab> Allah สั่ลาก็ยังสั่งยังสั่งท่านนบีนะ ยังสั่งท่านาานบีสัลลัลลอฮซัลลัมให้ให้กล่าวกับคนพวกนี้อีกถ้าสมมติว่าพวกเขาจะออกไปจริงๆเนี่ย ل ل رب, จงกล่าวเถิดแก่บรรดาคนที่เป็นคนที่ไม่ได้ไปสัตยาบันที่ฮุดายเบียคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยพวกมนาสิกีพวกนี้เนี่ยถ้าอยากจะออกไปทำสงครามจริงๆเนี่ย ยังมีสงครามอีกหลายสงครามที่พวกเจ้าจะถูกเรียกร้องให้ออกไปครั้งนี้พวกเจ้าไม่มีสิทธิ์แต่หลังจากนี้มีอีกหลายสงครามได้ออกไปแน่นอนอ่ะสตูเดอเนออิลก้าเนอุลีแบสชดดีแล้วคู่สงครามหลังจากนี้เนี่ยเป็นพวกที่แข็งแกร่งทั้งนั้นแน่จริงออกไปให้ได้นะเข้า <c oughs> ใจไหมครับ เพราะตอนแรกบอกว่าอยากจะไปทําสงครามที่คอยบัตไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ่ะเพราะอัละลอฮละประกาศแล้วว่าเฉพาะคนที่อูดาเบียเท่านั้นที่ไปได้ถ้าจะออกไปจริงๆรอหน่อยรอหลังจากคอยบัตมีที่ไหนอีกโอ้อีกหลายที่เลยหลังจากนั้นมีสงครามฮูไนมีสงครามอะไรอีกหลังจากนั้นโดยเฉพาะสงครามฮูไนเนี่ยถือว่าเป็นสงครามที่หนักอ่า อุลีบสัสนชดัดดกล่าวอุลีบสัสนชดดพวกที่แข็งแกร่งที่อัลาลอฮพูดถึงในอายัดนี้เนี่ยมีทัศนะทีอ่อะไรนะที่แตกต่างกันหมู่ชนที่เข้มแข็งตรงนี้เนี่ยบางก็บอกว่าหมายถึงพวกฮาวาเซนบางก็บอกว่าหมายถึงพวกสกีฟบางก็บอกว่าหมายถึงพวกเปอร์เซียซึ่งสงครามหลังจากนี้หนักๆทั้งนั้น สงครามกับโปเซียเป็นสงครามที่หนักมากสงครามกอดิเซียในสมัยของท่านออมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะออกไปจริงๆหลังจากคอยบัตมีแน่จะออกไปไหม <c oughs> <c oughs> จะออกไปไหมนี่แหละนั่นคือคาตอบที่ a า l a h ตาลาสั่งให้ท่านนาบีตอบคนเหล่านี้ท่านแน่จริงรอสงครามหลังจากคอยบัตสิ สัตุดาอูนะอิลาก้าวมินอุลีเบ็ศินชดีล์ตุฆาติลูนะฮุมอุยุสลมลูพวกท่านจะได้ทำสงครามกวะพวกเขาหรือคนเหล่านั้นอาจจะรับอิส伊斯兰ถ้ารับ伊斯兰ก็ไม่ต้องทำสงครามละฝันตุติยูยุติคุมุลลอฮฺอัจจันพัสเถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังทำตามบัญชาที่ล l l a h ตะลาเรียดร้องให้ออกไปทำการจิฮาห์พระองค์ก็จะให้ผลบุญรางวัลตอบแทนที่ดีแก่พวกท่าน ว่าอินตะตะวัลเลวแต่ถ้าหากพวกท่านหันหลังให้ก็มาตะวัลไลตุมิงกบเหมือนที่พวกท่านเคยหันหลังก่อนหน้านี้ไม่ยอมเข้าร่วมก่อนหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นอยอาดดิบคุมอาซาบันอลีมะอัลลอฮฺตะลาจะลงโทษพวกเจ้าด้วยการลงโทษที่เจ็บปวดง่ายๆไม่มีไม่มีอะไรซับซ้อน ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งตีความไม่ต้องมันเข้าใจง่ายมากจริงๆแล้วถ้าพวกมูนาฟิกินเหล่านี้จะเข้าใจเนี่ยมันเข้าใจง่ายมากคายบาัตรไม่ให้ไปก่อนทําไมดือนน้อดึงที่จะไปเพราะอะไรที่ไม่ให้ไปเพราะอัลละฮฺตรัสประกาศแล้วที่ฮูดายเบียนะครับว่ามีเฉพาะคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่ไปได้คาเพราะฉะนั้นพวกเจ้าไม่ได้ไปฮูดายเบียออกไปคายบาัตไม่ได้เข้าใจหรือเปล่า ง่ายแค่เนี้ยทำไมถึงทำเป็นไม่เข้าใจไม่ยอมเข้าใจนะอะไรนะแ ล, ล้วก็หูอิลละกอรี่ลไม่ยอมเข้าใจอัลลอฮอักบัต์ถ้าจะออกไปออกไปวันไหนหลังจากคอยบัดมีอีกหลายสงครามที่จะออกไปต่อสู้และถ้าออกไปเชื่อฟังอัลลอฮสุบะฮัลกดไปทาไปร่วมสู้รบกับท่านนาบีในสมรภูมิอัลลอฮฺก็จะให้ผ ล, ลบุญจะให้รางวัลอาจจะเป็นทรัพย์สินที่ได้จากสงคราม หรือถ้าตาชดหตก็จะได้ผ ล, ลบุญในวันอัคคีรอแหละถ้าหากเจ้าไม่เชื่อฟังอีกนะถ้าถ้ามีสงครามหลังจากคอยบัตและพวกเจ้าไม่ยอมไปอีกเหมือนกับที่เคยปฏิเสธมาก่อนหน้านี้ก็มีผลตอบแทนเดียวเท่านั้นก็คือการลงโทษเจอัล่อสุพ า, ารณหอตะลาเท่านั้นง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นได้โปรดเข้าใจเถิดไม่ต้องมาเถียนให้มากกวาอันนี้คือคาพูดที่ อัลลอฮ์สุบฮานาะจะละพยายามให้ท่านนบีนั้นสื่อสารถึงพวกมูนัิกีที่ไม่อยอมเข้าใจพวกนี้คนที่ได้รับการอนุโลมนะครับว่าไม่ต้องออกไปสงครามเนี่ยมีใครบ้างอยู่ในอายะฮ์ที่17บลี้อ<ก ract>ัลัลอะมาฮารจุนวะลาอัลลมารีดวะลาอัลัลอะรจฮารจิวะลาอัลลมารีดฮารจ ไม่เป็นไม่เป็นที่เสียหายแต่ประการใดตรวเขบแล้วไม่เป็นที่เสียหายหมายถึงว่าถ้าสมมุติคนสามประเภทนี้ไม่ออกไปสงครามเนี่ยไม่เป็นความผิดมีใครบ้างสาเหตุที่อนุโลมให้ไม่ต้องออกไปสงครามไม่ต้องไปต่อสู้ในสมรภูมิหนึ่ง อ, อัลอาหมะคนที่ตาบอด ว่ละอาลลอร์จคนที่พิการขาขาเดินไม่ได้คนพิการนะครับว่ละอาลลมารีดีฮารจรวมถึงคนที่เ <disks> จ็บป่วยก็ไม่ต้องออกไปนะครับวเมนวเมนยุติอิลล้ฮ์วาระซูละฮ์ยุดขิลฮ์จันนท์เจริมในที่ใครที่เชื่อฟัง a ل l a พระองค์ก็จะใครที่เชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์พระองค์ก็จะเอาเขานะครับให้ได้เข้าสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างวะมันยะตะวัลละยอัซิบฮูอัลลาฮอลีมะส่วนใครที่ไม่เชื่อฟัง พระองค์ก็จะลงโทษด้วยการลงโทษอันเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งนะครับความหมายก็ใกล้เคียงกันหรืออันเดียวกันเลยกับอายัดอนนั้นีอายัดตอนนั้นี فإن تطيع يؤتكم الله أجرًا حسنًا فما أياني ومن يطيع الله ورسوله ي خ ل ه جنات ج ر ي من ت ح ت ا الأنهار كأنًا و إ ت ت و ل ك م ا ت و ي ت من قبل يعذبكم عذابًا أليمًا ف ي ومن يتولى จะยุ่งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมงงงงงงงงงงงงงงมงงงงง่งงงงงงงางนงงงงะงงงงีงงงงงงงงงงคงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงมางง่งงงงงงงงงงงงงงงงงงางนงงงงงงงงงงงงงง คำสั่งบทบัญญัติของพระองค์ในเรื่องของการ j ิ h า d การออกไปต่อสู้เนี่ยเป็นบททดสอบให้กับคนกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือบรรดาพวกมูนาเิตูนพฤติกรรมของพวกมูนาเิกูนเนี่ยจะเห็นชัดเจนเวลาที่มีเรื่องราวแบบนี้แหละเวลาที่มีการทดสอบที่ต้องเหนื่อยต้องเสียสละต้องออกไป สู้แดดสู้ฝนต้องเสี่ยงกับชีวิตต้องเสี่ยงกับทรัพย์สินต้องอะไรพวกนี้คนและนี้เริ่มมีปฏิกิริยาตอนแรกอาจจะมีการเรียกร้องด้วยซ้อยากจะออกไปอยากจะออกไปถ้าเราไปอ่านในสุรสทศเจ้าแบห์เนี่ยจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อยากจะออกไปไปขออนุญาตกับท่านนาบีว่าอยากจะออกไปแต่พอมีคาสั่งให้ออกไปจริงๆอ เริ่มละเริ่มเริ่มหาทางหนีทีไล่ว่าจะหาอะไรมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องออกไปอ่าสุดข้านลละลรอกเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้บทเรียนจากเรื่องราวเหล่านี้ของพวกที่มีโรคในหัวใจที่เรียกว่าโรคมีฟากเนี่ยเอามาใช้บทเรียนอย่างไรบ้าง กับเรื่องศาสนาโดยเฉพาะเลยนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของอัลลอ์ที่เกี่ยวข้องกับสั่งคำสั่งของท่านนาบีสโลลลลอฮ์อะลัยฮิลลามาเช็คกับตัวเองว่าเราเลือกเฉพาะบางคำสั่งที่มันถูกใจเราไหมอัน น, นี้ที่สามารถจะเอามาใช้เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะตัวเราเองใช่หรือเปล่า เราเลือกเฉพาะอันนี้โอเคอันนี้รู้สึกว่ามันมันไม่มมเอาแต่ทิ้งไปไมเ่เอาเอาเฉพาะที่โอเคอันนี้หมายถึงว่าถ้ามันเป็นคําสั่งที่วาจิบนะยกเว้นถ้าเป็นคําสั่งที่สุนัขเนี่ยอาจจะเปิดกว้างไม่มีปัญหาแต่หมายถึงคําสั่งที่วาจิบคาสั่งที่วาจิบอะไรบ้างละมาห้าเวลาการจ่ายอากาศการถือสินอดเราเลือกได้ไหม ขอจ่ายสกาตอย่างเดียวไม่ยอไม่ขอละหมาดหรือขอละหมาดอย่างเดียวแต่ไม่ไม่ขอจ่ายสกาดได้ไหมครับไม่ได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะเอาสิ่งที่มันความเสี่ยงต่าๆกับตัวเองกับทรัพย์สินไม่ต้องเสียสละอะไรมากมายส่วนอย่างอื่นเราไม่ขอทำหรือไม่ไม่สนใจวาลยาตุเวล่ะอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับ ยุ่มนุนบิบางด์ทุ่มนุนบิบางด์อิตับิวตัฟูนบิบานับิทีอัลลอฮฺมูฮัมอธิบายถึงสภาพไม่ใช่เฉพาะพวกมุนฟิตีนเท่านั้นแต่สภาพแบบนี้เนี่ยแม้กระทั่งอัลกิตจาก่อนหน้านี้พวกยิวพวกนาสารอก่อนหน้านี้ก็มีลักษณะเช่นนี้เช่นเดียวกันอะไรที่ตรงกับใจตัวเองก็เอามาอธิบายเอามาใชา้เอามาอ้างเอามาอย่างดีอย่างรูร้ระ แต่อะไรที่ไม่ตรงกับความต้องการของตัวเองไปบิดเบือนไปแก้ไขไปนุ่มนี่นั่นวหลยายท่านนั้นสหรับมุ่งมินกาลว่าสมิ่งนาวะอัตาะนามุ่งมินก็คือสมิ่งนาเราฟังวะอัตาะนะเราเชื่อเราทำตามาเหมือนกับอายตที่เราอ่านอยู่ทุกวันทุกวันอาเมนัลรัสูลุบิลละอิลเลห์มิรับบิห์แลมุ่งมินุ คนเอาจริงๆทุกคน ا อาจริงๆทุกคนเอาจริงๆทุกคนเอาจริงๆทุกคนเอาจริงๆทุกคนเอาจริงๆทุกคนเอาจริงๆทุกคนเอาจริงๆทุกคนเอาจริงๆทเอาจริงๆทุกนเอาจนอากคนเาจริงคอริงๆนเอาจงๆทุกคนเอาจรกคนาจริงคเริงๆท้นรทุเรินิุเอาเิงๆทเอาุิุน ม, ม, มุ่มนิสเหมะน่ะฟังแล้วครับจะทำอินชาอัลลอฮ์ครับทำได้แค่ไหนล ال ะอยูกัลลิฟุลลอฮูนักเซนอิลละอุซะฮะอัลลอฮฺจะไม่กดดันหรือกดทับทุกชีวิตชีวิตใดชีวิตหนงนอกจากเท่าที่เขาสามารถจะเท่าที่เขาทำได้แต่ก่อนหน้านี้ต้องมีสมิเมน่วะอัคเคนาก่อน ไม่ใช่อยู่ดีๆก็คือเอาเท่าที่ทําได้ก่อนแต่หัวใจอะไม่รับตั้งแต่แรกไม่ใช่นะครับหัวใจต้องรับก่อนต้องยอมก่อนส่วนจะทําได้แค่ไหนอะไรยังไงนั้น่อยคิดทีหลังไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บฟังคําสั่งของรัตตาราปุ๊บไม่เอาอันนี้อันนี้ไม่ถูกกับฉันอันนี้ไม่ฉันไม่ไหวไม่แต่แรกแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับคนที่เป็นมุมินที่แท้จริง เอ้ก็ว่ากันว่าเราได้ยินว่าใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลาน่วม Allah และผู้ที่เชื่อฟัง Allah ไม่จําเป็นต้องเท่ากันหมดหมายถึงว่าผลงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันแต่ยอมรับเหมือนกันเราแต่ละคนยอมรับต่อรัอตตาลาเหมือนกันเชื่อฟังต่ออัตต่อรัตตาลาเหมือนกันแต่ผลงานอาจจะแตกต่างกันได้คนนี้ทําได้แค่นี้คนนี้คะแนนได้แค่นี้แต่สภาพการตออัตเนี่ยต้องเหมือนกัน เข้าใจไหมครับการยอมรับต้องเหมือนกันผลงานแตกต่างกันอันนั้นมันอยู่แต่ละคนความสามารถไม่เหมือนกันแรงไม่เท่ากันหรืออะไรก็ว่าไปแต่หัวใจการศรัทธาการยอมรับตั้งแต่แรกดุสเดีต่อเลาะสวาลจ่าลาเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเท่านั้นนะครับลลาาอัลลอฮุเจลัลละผมจะได้แล้ววันนี้สิบสีถึงสิบเจดนะครับอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้ อัลตัลาจะพูดถึงอะไรอีกนะครับต่อไปเกี่ยวกับเรื่องราวที่พูดถึงสืบเนื่องจากเหตุการณ์อัลฮูดายเบียนะครับไม่ว่าจะเป็นในมิติของบรรดาสหฮาบะและของบรรดาพวกมุนสิตียังมีอีกไมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปีหน้าเลยอินชาอัลลอ์นะครับกัลลอฮฺ تعالى علم وفقاً لله و إ ي ا ลล لما يحب ويرضى وصلى ا ل ل سبحان ربك رب عزة أما يصفون وسلام على المفسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته